ก็ที่จริงธารมะพี่เราก็เพียงสอนหรือว่าจะเป็งใครสอนเนะาะมันก็มีความสามารถเกิดผลได้เ น, นี่ยก็เราก็สามารถรับรองด้วยตัวของเราได้เนาะที่จริงการที่จริงคุูบาอาจารย์ท่านก็มีคุณค่ามากแม้แต่อย่างตัวเองหรือที่ว่าหลายคนที่ไม่เคยเจอหลวงพ่อเทียนแค่ได้อ่านหนังสือหรือแคได้ดูบีซีดีเห็นท่าทางท่าน มันที่ใช้มันทำให้เราเกิดความสนใจสนใจว่าคำพูดหรือการเดินการยกมือท่าทางการวาหน้าท่านมันเป็นสิ่งที่แตกต่างจากคนทั่วไปมันเกิดความสนใจแต่พอเาพอาความสนใจนั้นมาสู่ภาคการปฏิบัติเมื่อเราได้ทำตามท่านตามที่ท่านพูดที่ท่านทำให้เราดูเมื่อเราได้ทำตามท่านตรง น, นัน้นถึงเกิดความเข้ใจ อุบายแทนนั้นมีประโยชน์มากแม้เราไม่ได้ทันท่านจะทาให้เกิดความสนใจแค่จุดประกายขึ้นมาแต่พะเราทําการจริงตอนนั้นเราถึงเกิดความเข้าใจขึ้นซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าอย่างที่บอกหลวงพ่อเทียนต้บอกทิดแทนกินแล้วไม่ว่าจะเป็นชาติไหนนะเป็นคนไทยคนจีนคนแคนเบอร์คนลาวอะไรก็แแต่ก็สามารถเข้าใจได้จะภาษาไหนก็สามารถเข้าใจได้ซึ่งตอนนี้ที่จริงต่อก่อของหล ง, ง, ง, ง, งพ่อเทียน เผยแพร่ไปหลายที่มากไม่ใช่เฉพาะคนไทยเราคนลาวคนจีนฝีรังกาอเมริกาก็เยอะแยะมากมายมีมีประสบการณ์นึงที่เกิดได้ไปสอนอันนี้เป็นคนไทยนะแต่เขาใช้คนภาษาของเราเขาเรียกว่าเป็นคนหูหนวกใช้ภาษามันไปสอนคนหูหนวกวก็เราคงอยากจะคิดเนาะคิดเป็นคําพูดคิดเป็นคําพูด แต่คนหูหนวกเขาไม่เขาไม่รู้ติตความคิดแต่เขาคิดเป็นภาพก็สอนยกมือแป้งชิาะเดินจึงกรมเขาถามเข้าไปว่าเวลาคิดเธอรู้สึกตัวจะเห็นภาพไหมหัวสมองเธอไหมไม่มีไม่ ม, ม, มีก็เหมือนกับที่เรารู้สึกตัวเราไม่มีความคิดในสมองไงคนที่หูหนวกเขาคิดเป็นภาพเขาเวลรู้สึกตัวไม่มีภาพในสมองเลยนั่นเราเห็นว่าถ้าจะทําทิ้แท้ทุกคนสามารถทําได้ ไม่ใช่แต่คนชาติไหนแม้แต่คนที่สมมติเรียกว่าเป็นคนที่การหมูมหนวกตาบอดเขากสามารถเข้าถึงธรรมะตรงนี้ได้ซึ่งมันไม่ใช่จํากัดที่ที่บุคคลจะจะมันอยู่ที่ว่าเราได้ทําการที่ที่ท่านสอนอเปล่าสตานี้ก็เป็นสิ่งที่ที่น่าสนใจนะอย่างคําสอนอย่างขอบคุณหมอเองนะมีหนังสือภ า, าษาไทยภาษาอังกฤษก็มีภาษาจีนก็มีนะ แต่าไปสอนนิ่งจีนเ้าก็เกิดให้ฟังก็มีคนจีนหลายคนสะดุดใจในในคําสอนของหรวงพ่เทียนความสามเกิดคล้ายเอฟกิฟนะในสิ่งยี่เคยหลงวงงานในสิ่งที่ไม่เข้าใจขึ้นมาอันนี้ก็คิดว่าพวกเราทุกคนก็เป็นลูกจิตของพระเทียนเนาะป็นลูกจิตของพระเทียนหรือคนงทีก็เป็นหลานจิตไม่ทันท่านคแต่คิดว่าพวกเราก็เอาท่านเป็นแบบอย่างในการที่เรียกว่าเข้าถึงธรรมะและสุดท้ายก็ แเราก็ตัวเรานี่แหละนตั้งต้นจากตัวเราหลวงพ่อคงจะบอกตรงนี้แค่ตั้งต้นจากตัวเราจะดิ้นี้ที่คนอื่นหลวงพ่อบอกคนดีที่ไหนคนดีให้ดิ้กี้กลับมาหาเรานี่คนเข้าใจธรรมะอยู่ไหนจะยิ้กี้หาครูบาอาจารย์ต้องเริ่มจากตัวเราเริ่มจากตัวเราพัฒนาที่ตัวเราให้เข้าถึงธรรมะให้เข้าถึงความดีหลังจากนั้นถ้าเรามีเราก็ได้บอกต่อไปสอนต่อซึ่งตัวนี้ ชื่อของท่านก็เป็นชื่อที่เป็นมงคลเนาะเป็นเคียงที่สามารถต่อให้แสงสว่างแก่ทุกคนแกส่สังคมทั้ไหลาจะได้ก็อย่างให้พวกเราทุกคนเไ็้ช่วยกันนะช่วยกันตั้งต้นจากตัวของเราเองแล้วก็คนเราล็อกฆาตหรือการงานที่เราทำนะแต่คิดว่าเราจะต้องเออเอาแต่ตัวเองให้รอดแล้วก็ไม่สนใจคนอื่นคิดว่าถ้าเราคิดแบบนั้นเคียงแังนี้ก็จะ ไคล้ายๆมันเทียนที่ไม่ไม่ต่อไปมันไม่ถึงไม่กี่นาทีมันก็ดับไปชั่วอยุคนคนหนึ่งก็ไม่เกินหลายปีถ้ารู้ธรรมะแล้วไม่บอกต่อไม่เกินหล้วปีก็หายไปเพราะนั้นถ้าเราพอเข้าใจธนระแล้วก็บอกกันต่อก็จะได้เป็นเทียนที่สว่างสวัยปัญญาและได้สืบต่อกันไปความไม่ทุกข์จะได้มีต่อคนต่อคนต่อไปซึ่งตรนนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าหลวงพ่อเทียนหรือว่าโลกจิตของหลวงพ่อเทียไนไร แต่คนก็เป็นเป็นกําลังสําคัญแน่นอนว่าเทียนท่านเรียกว่าโดย่ชื่อนะักอย่างที่คุณหมอบอกกว่าพันอินทรีย์นะท่านเกียรติยิ้ไปแล้วแต่เทียนเรื่องนี้ยังยิ่งสว่าง ก, กว่าเก่าผมาที่ว่าบางทีตอนที่หลวงพ่อเทียนท่านาีังคิดึดอยู่คนอาจจะตื่นกระทํามไม่มากเท่นี้ก็ได้แต่ตอนนี้ท่านาเสียรติยิ้ไปหลายเกียแล้วแต่คนยังสนใจธรรมะที่ท่านสอนอยู่ต่อไปยิ่งถ้าเราเข้มแข็งอยู่ต่อไปชื่อว่าคําสอนของพ่ะเทียนไม่ได้หา่างกันไหน เพราะว่าความจริงแท้มันทนต่อการพิสูจน์แต่ส really ิ่งที่ไม่จริงมันก็ต้องเสื่อมตามตามการเวลาแต่ความจริงการพิสูจน์ก็ได้ผลได้แม้จำกัดการจริงก็เป็นสิ่งที่เหมือนที่ท่านบอกเนาะเป็นอาการลิโกเป็นสิ่งที่รู้ด้วยตัวเราคนจริงๆก็อยากให้ตัเราคนนี้มั่นใจในคำสอนของขท่านแต่ไม่ใช่มั่นใจแบบเชื่อแต่ขอให้ลองทําดูมันเกิดผลขนาดไหนแต่เราก็เชื่อมั่นเต่านี้แล้วก็ไปบอกต่อกระสอไป ขอให้ทุกคนได้เจอิญในะทรมทุกคน